คุณสายจิตกับคุณอินมาถึงวัดสี่หน้าเมื่อประสงค์สี่รูปสวดพระอภิธรรมจบลงแล้วคุณเปี่ยมกับนายแรมเอาเรือส่วนตัวไปรับมาจากอายุธยาโดยออกเดินทางตอนตีสี่และกลับมาถึงวัดตอนเกือบเกือบสามทุ่มหากไปเรือโดยสารก็คงมาถึงในวันรุ่งขึ้นเห็นหน้ามารดาบิดาสาวน้อยทั้งสาม ต่างพากันร่ำให้เข้ามาหาสองสามีพันยาเข้าไปกราบคุณหลวงและคุณหญิงด้วยน้ำตาหนองหน้าหลวงทาราปลอบบุตรสาวและบุตรเขยว่าทําใจเถอดนะไหนๆเขากดจากเราไปแล้วคิดเสียว่าทบุญรวมกันมาเพียงนี้สิ่งนั้นแม้เศร้าหากแฝงด้วยเมตตาปราณี และแม่สายทองเป็นอย่างไรบ้างคะคุณสายจิตถามถึงบุตรสาวที่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลสิริราชคุณสายใจจึงตอบน้องสาวว่าพ้นขีดอันตรายแล้วเห็นหมอเขาบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้อีกนิดเดียวก็คงไม่รอดนี่พี่ก็ให้พบประพศเขาเฝ้าไข้สองคืนเขานี่แล้วแกไปทำอีท่าไหนคะ ถึงได้เป็นโรคห่าคุณพี่ทราบสาเหตุหรือเปล่าคะคุณสายจิตอยากรู้ต้นสายปลายเหตุเห็นแม่สายทองเธอเล่าว่าไปทานส้มตำปูดองที่ตลาดทานเสร็จรู้สึกปวดท้องทันทีเมื่อถึงบ้านก็ท้องเสียทั้งอัดเจียนทั้งถายหนะักคุณพ่อเลยให้แนวแรมนำส่งโรงพยาบาลเดียวนั้นแต่แม่สายทิพย์สิ้นใจก่อนถึงโรงพยาบาล โรคนี้มันร้ายแรงขนาดไหนเธอก็รู้เป็นบุญของแม่สายทองที่รอดมาได้ผมจะไปเยี่ยมลูกคืนนี้เลยได้ไหมครับคุณอินถามรู้สึกสงสารลูกจับใจด้วยรู้ว่าลูกสาวคู่แฝด ร, รักกันมากการจากไปของคนหนึ่งย่อมเป็นความทุกข์ทรมานของอีกคนหนึ่งพี่ว่าอย่าเพิ่งดีกว่าพ่ออินมาเหนื่อ ย, อยควรจะได้พักผ่อน พรุ่งนี้เช้าค่อยไปไม่ต้องห่วงทางโน้นพ่อประพ์เขาคงดูแลน้องสาวอย่างดีที่สุดประเดี๋ยวเรามาปรึกษากันเรื่องงานศพว่าจะทำอย่างไรจะเผาเลยหรือว่าจะเก็บคุณพ่อเสนอให้สวดพระอภิธรรมห้าคืนวันที่หกเผาวันที่เจ็ดทบุญเจ็ดวันแล้วเก็บกระดูกไว้ครบห้าสิบวันทําบุญครั้งหนึ่งและจะไปทาอีกครั้งตอนครบร้อยวัน พ่ออินกับแม่สายจิตจะมีความเห็นอย่างไรคุณสายใจพูดกับน้องเขยและน้องสาวแล้วแต่คุณพ่อจะเห็นสมควรเถอะครับผมไม่มีอะไรจะคัดค้านคุณอินตอบการรับรู้ข่าวร้ายอย่างกระทันหันทำให้คิดอะไรไม่ออกขาเพิ่งจะสูญเสียมันดาและวิดาไปในเวลาใกล้เคียงกันเมื่อสองปีที่ผ่านมา ยังไม่ทันจะลืมความทุกโศกก็ต้องมาเสียลูกรักไปอีกโอ้อานาดน้อชีวิตคนที่มีความทุกข์ไม่น้อยไปกว่าคุณอินเห็นจะได้แก่คุณหลวงกับคุณหญิงด้วยว่าหลานสาวมาตายแล้วมินำซ้ำหลานชายก็มาหายไปอย่างไม่มีร่องรอยอีกในแรมโมแตยยุ่งกับเรื่องพาคู่แฝดไปโรงพยาบาลกว่าจะได้ไปรับหลานชายก็ตกสองทุ่มเศษ รออยู่เป็นนานสองนานก็ไม่เห็นแม่เงาครั้นเข้าไปถามหลวงตาวัดตโนธก็ไม่ได้เบาะแสแถมยังถูกหลวงตาขี้โมโหตวาดเอาเสียอีกจึงต้องเล่นเรือเปล่ากลับมายังวัดสี่หน้าขณะที่ท่านกับคุณหญิงกำลังนั่งฟังพระสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คุณเปี่ยมเข้ามาอยู่ในบ้านดูจะมีแต่เรื่องร้ายๆนะป้านนะ นางสาวกล่ากระซิบกระซาบกับแม่วาดนั่นสิข้าไม่อยากคิดอากูศนก็เลยอดไม่ได้สงสัยคุณเปี่ยมจะเป็นตัวสวยกันมังผู้ชายที่ประพฤตินอกใจเมียมักจะสวยไปตลอดชาติตัวสวยคนเดียวไม่พ อ, อยังทำให้คนอื่นเขาพลอยสวยไปด้วยแม่บ้านกระซิปตอบดยไม่ชอบคุณเปี่ยมเป็นทุนอยู่แล้วฉันว่า เขาอิจฉาคุณจเจริญ น, นะและป้าสังเกตไหมว่าคุณจเจริญเธอไม่ค่อยร่าเริงนับตั้งแต่คุณเปียมเข้ามาอยู่ในบ้านนี่เธอก็มาหายตัวไปโดยไม่มีวี่แววป้าว่าเป็นไปได้ไหมหากเธอจะหนีไปอยู่ยที่อื่นเป็นไปไม่ได้แน่คุณจเจริญเธอเป็นคนมีเหตุผลคงไม่ทำอะไรโดยพะละการอย่างนั้นข้าก็คิดในแง่ดีว่า เธออาจจะป่วยกระทันหันเลยนอนค้างที่บ้านครูจำนงแต่ครูก็น่าจะให้คนมาส่งข่าวคุณหลวงท่านจะได้มีกังวลนั่นสิได้ยินว่าคุณหลวงท่านจะให้แนวแรมไปดูที่บ้านครูจำนงนะเจ้ประคุณขอให้เป็นอย่างที่ป้าคิดไว้เถอะเกิดคุณเจริญเป็นอะไรไปอีกคนคุณหลวงกับคุณหญิงเห็นจะอกแตกกันคราวนี้ นางสาวกล่ำห่วงเจ้านายแต่ข้าคนข้างมั่นใจว่าเธอจะไม่เป็นอะไรคุณจเจริญเธอเป็นคนดีมีความกตันอยู่คนแบบนี้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่เชื่อเองก็คอยดูเชื่อสิไม่เชื่อป้าแล้วฉันจะไปเชื่อใครสงสัยเขาจะเตรียมตัวกลับกันแล้วพวกเราคงไปรอบหลังกระมังเทีเ่ยวเดียวไม่หมดแน่ หล่นหันไปมองทางเจ้านายแขกเรือที่มาฟังสวดพระอภิธรรมพากันกลับไปหมดแล้วคงมีแต่พวกชาวบ้านแถวนั้นที่ถือโอกาสมาเล่นการพนันโดยอ้างว่ามาอยู่เป็นเพื่อนศพคืนแรกในแรมกับคุณเปี่ยมอาสานอนเฝ้าเพราะตอนนำศพมาถึงวัดก็ค่ำแล้ว ผู้ชาวบ้านไม่ทันได้เตรียมตัวจึงไม่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อนคนตายผิดกับค่ำคืนนี้ที่ผู้คนคึกคักและส่วนใหญ่ก็เป็นเสียนการพนันทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีใครมาส่งข่าวเรื่องพอจริญบ้างไหม คุณหลวงถามเด็กหญิงวัยิสทันทีที่ถึงบ้านไม่มีเจ้าค่ะเด็กหญิงเหมือนตอบสาวน้อยไม่รู้เลยว่าความบกพร่องต่อหน้าที่ของตนได้ทำร้ายจิตใจบุรุษวัยก้าสิบอย่างรุนแรงหลานปู่เกิดอะไรขึ้นกับหลานปู่คงหมีชีวิตอยู่ไม่ได้อากจะต้องสูญเสียหลานไปอีกคน ีนสกุลจอรุนรัตจะสิ้นสุดลงเะลาวเรอะหลวงธาราคขำครวนในใจรู้สึกหมดเรียวแรงแข้งขาอ่อนจนต้องนั่งแมะลงตรงหัวกระดัดคุณเปียมกับคุณอินช่วยกันประคองพ่อตาเข้าไปข้างในคุณสายใจเข้าไปชงยาลมมาให้บิดาคุณหญิงห่วงเห็นเช่นนั้นก็พลอยมีอาการไปด้วย คุณสายจิตกับลูกสาวต้องมาช่วยกันประคองเข้าไปนั่งในบ้านส่วนนายแรมแล่นเรือกลับไปรับแม่วาดและพวกสาวๆที่วัดสีหน้าขณะคนบนเรือนกำลังชุนละมุนคุณพ่อคุณแม่ทำใจดีๆไว้ก่อนเถอคะค่ะดิฉันว่าพอเจริญคงไม่เป็นอะไรอาจป่วยกระทันหันจนกลับบ้านไม่ได้พรุ่งนี้นายแรมคงไปรับตัวกลับ คุณสายใจปลอบบีดาและมานดาทั้งที่เธอเองก็ไม่แน่ใจในความปลอดภัยของหลานแต่ครูจำนงก็น่าจะให้คนมาส่งข่าวเงียบหายไปอย่างนี้จะไม่ให้พ่อคิดมากได้ยังไงคุณหลวงพูดเสียงอ่อนระหอยเขาคงติดธุระหรือไม่ก็หาคนมาบอกไม่ได้ เ ร, เราฟังข่าวจากนายแรมพรุ่งนี้ดีกว่าดิฉันว่าอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เลยค่ะคำพูดของบุตรสาวช่วยคลายความทุกโศกของคุณหลวงลงได้บ้างท่านนั่งสงบสติอารมณ์สักครู่แล้วจึงบอกพันยาว่าคนยญิงประเดี๋ยวเราเข้าห้องพระสวดมนต์ดีกว่านะให้ทุกคนในบ้านมาช่วยกันอธิษฐาน ขออำนาจบารมีของพระพุทธเจ้าหาพระองค์่วยดลบรรดาให้พอดเจเริญปลอดภัยรอแม่วาดกับพวกเด็กๆ ก, ก่อนจะได้สวดพร้อมกันทั้งบ้านเลยดีค่ะคุณหลวงแต่ดิฉันว่าให้ทุกคนอาบน้ำอาบท่าให้เนื้อตัวสะอาดสะอานเสียก่อน จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งทีก็ควรให้มีกายบริสุทธิ์เป็นอันดับแรกคุณหญิงห่วงออกความเห็นอาการคล้ายจะเป็นลมเมื่อครู่กลับหายไปอีกครู่ใหญ่ผู้ที่อาศาัยอยู่ใต้ใชายคาบ้านสามกระไดก็มาพร้อมกันที่ห้องพระซึ่งบรรจุคนได้ประมาณไม่เกินสิบคนรั้นเจ้านายเข้าไปนั่งห้องก็เต็มเสียแล้ว บรรดาบ่าวไพร่จึงต้องนั่งข้างนอกหลวงธาราจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยขณะที่ทุกคนประนมมือจากนั้นคุณหลวงวัยเกจึงนำกล่าวคำบูชาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์คือพระกะกุสันทะพระโกนาคมณนะพระกัสปะพระโคตมะและพระเมตเตยะและจึงพากันสวดพุทธคุณ ทำมคคาคุณสังฆคุณซึ่งทุกคนสวดได้ด้วยมีกฎของบ้านสามกระด a ยว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านจะต้องสวดมนต์สามบทนี้ได้ครั้นถึงบทพาหุงและมหาการุณิโกผู้ที่สวดได้มีเพียงสามคนคือคุณหลวงคุณหญิงและคุณสายใจส่วนผู้ที่สวดไม่ได้คงนั่งประนมมือฟังด้วยอาการสงบ สวดมนต์เสร็จประมุขของบ้านจึงนำกล่าวขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรโดยเจาะจงเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรของนายเจริญจรุนรัตขออโหสิกรรมแล้วจึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้จากนั้นทุกคนจึงแยกย้ายกันไปนอนด้วยว่าดึกมากแล้วขณะเดินจากห้องพระไปยังห้องนอนเด็กหญิงเหมือน แอบกระซิบกระซาบกับแม่บ้านว่าป้าพรุ่งนี้ปลัดเวนให้คนอื่นเฝ้าบ้านบ้างนะฉันขอไปฟังสวดที่วัดอยู่บ้านคนเดียวฉันกลัวผีคุณสายทิพย์กลัวแทบขาดใจเลยถ้าทางคนพูดยังไม่หายกลัวผีเผลออะไรกันอีกหน่อยเองก็ต้องตายข้าเองก็ต้องตายไม่เห็นจะต้องมากลัวอะไร แม่บ้านพูดอย่างนี้เด็กหญิงจึงถือโอกาสต่อรองว่างั้นก็ดีแล้วคืนพรุ่งนี้ป้าเฝ้าบ้านนะฉันจะไปวัดบ้างไม่ได้หรอกข้าเป็นแม่งานก็ต้องไปดูความเรียบร้อยจะมันนั่งเฝ้าบ้านก็ไรได้แม่วาดตอบเลี่ย ง, ยงแท้จริงนางเองก็กลัวผีคุณสายทิพย์ถึงจะเลี้ยงเธอมาตั้งแต่แบบ หากก็รู้สึกกลัวถ้าเช่นนั้นปาก็ต้องหาคนมาเปลี่ยนชั้นไม่รู้ละ่ะพรุ่งนี้ฉันไม่ยอมอยู่คนเดียวอีกแน่มันได้ยินเสียงอะไรอะไรตลอดเวลาเลยคล้ายๆกับว่าคุณสายทิพย์เธอยังไม่ยอมไปจากที่นี่เอาเถอะเอาเถอะอย่ามัวพูดมากไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีขาง่วงนอนแล้วผู้อาวุโสกว่าพูดตัดบท นายแรมออกจากบ้านไปได้สักครู่เรือพายลำหนึ่งก็มาจอดเทียบท่าน้ำหน้าบ้านบุรุษวัย5้ผูกเรือซึ่งบรรทุกมะพร้าวเต็มลำไว้กับขั้นบันไดแล้วส่งเสียงเรียกขึ้นไปบนบ้านคุณหลวงอยู่หรือเปล่าครับผมมีธุระสำคัญจะมาเรียนให้ทราบคุณสายใจได้ยินเสียงคนเรียกโวกเวกอยู่หน้าบ้าน จึงใช้ให้นางสาวกล่ำออกมาดูคุณหลวงอยู่หรือเปล่าหมอจีนวัยห้าสิบเศษถามสาวน้อยอยู่จ้ะลุงมีธุรชจะพบท่านหรือสาววัยสิบหกย้อนถามถูกแล้วช่วยปเปรียนท่านด้วยว่าลุงจะมาส่งข่าวเรื่องล้านชายคุณจะเรินดูอ้าัดลุงหล่อนทำตาโตที่ได้ข่าวดีจะเรินไหน ในหมั่นถามด้วยว่ายังไม่มีใครในบ้านรู้จักชื่อหนุ่มน้อยเรียกกันแต่ว่าอาติเลยไม่รู้จักชื่อจริงของอตินั้นคืออะไรก็หลานชายคุณท่านที่หายไปเมื่อสองวันก่อนลุงพบเธอหรือจ๊ะคงจะเป็นคนเดียวกันมั่งอีอยู่ที่บ้านลุงกาลังป่วยมากลุงเลยจะมาส่งข่าวหายดีแล้วจะพามาส่งบ้านจะเปรดคุณสิ้นเคราะห์ไปที นางสาวกล่ำยกมือประนมเหนือศีษะเชิญเลยจ้าลุงท่านคงดีใจแย่อ๋อเดี๋ยวให้ฉันไปเรียนท่านก่อนหล่อนหายเข้าไปในบ้านประเดี๋ยวหนึ่งจึงออกมาเชิญอาคันตุกะให้เข้าไปข้างในในายหมันยกมือไหว้คุณหลวงและคุณหญิงแล้วจึงแนะนำตัวเองผมชื่อในหมันแซ่ตั้งมีอาชีพเป็นหมอจีนบ้านอยู่ในสวนเข้าไปทางคลองบ้านอ้อย ตอนนี้หลานชายของท่านป่วยอยู่ที่บ้านผมครับหลวงทารามีความรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เมื่อได้ยินคำบอกเล่าของบุรุษตรงหน้าหลานฉันป่วยได้โรคอะไรหรือจ๊ะพ่อหมอคุณหญิงห่วงถามเกิดปริวิตกว่าหลานชายอาจเป็นโรคหาแบบเดียวกับที่หลานสาวคู่แฝดเป็นถูกเด็กวัตโนดซ้อมครับ ผมพายเรือผ่านมาเห็นเข้าเลยช่วยไว้ทันแล้วเขาจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนพลบคำ่ำวันนั้นให้บุรุษวัยเ้าสิฟังอย่างละเอียดผมจะต้องเอาเรื่องเจ้าลวงตานั่นให้ได้คอยดูนะคุณหมอผมจะเอามันสึกให้ได้คุณหลวงพูดอย่างโกรธแค้นแต่เย็นเย็นครับท่าน การจะศึกหลงตาผู้ชั่วร้ายคนนั้นคงทำไม่ยากแต่ผลเสีที่ตามมาสิครับท่านต้องไม่ลืมว่าคนชั่วมันก็มีพักพวกเป็นคนชั่วด้วยกันใช่ว่ามันจะอยู่แบบหัวเดียวกระเทียมรีบก็หาไม่เพราะเหตุนี้คนดีจึงมีศัตรูถ้าท่านเล่นงานหลงตานั่นพักพวกมันต้องตามมารังควานท่านอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผมคิดว่าไม่คุ้มเลย ที่เราจะเอาชีวิตไปเสี่ยงแบบนั้นใจมันลอยนวลอยู่ต่อไปเนอะหรือถ่ามยังไม่พอใจนะครับแต่ก็คงไม่นานกรรมต้องสนองมันเข้าสักวันกรรมนั้นมีผลมีวิบากนะครับท่านผมเชื่อในกฎแห่งกรรมหมอจีนพูดหนักแน่นผมเองก็เชื่อแต่เอาเธอ ที่คุณหมอพูดมามันก่อถูกเวนใจหยุดเมื่อหยุดจองเวนผมอาโหสิให้มันเพราะถึงอย่างไรล้านผมก็ยังอยู่แต่ถ้าล้านผมเป็นอะไรไปผมจะไม่ให้อภัยมันเลยผมรับรองครับว่าล้านท่านจะหายในอีกไม่กี่วันแล้วผมจะพามาส่งแต่เอทำไมคนในบ้าน ถึงแต่งดำนะครับหรือว่าไว้ทุกให้อติคงจะคิดว่าเขาตายแล้วปุรดวรัยห้าสิบเศษถามด้วยสงสัยหลวงทารา จ, จึงบอกเขาว่าเรื่องเศร้าครับคุณหมอคือวันที่ล้านชายผมหายไปล้านเท้าก็มาเสียชีวิตเดยโรคหา่าคนขับเรือโมวุ่นกับการนงคนป่วยส่งโรงพยาบาล จึงไปรับหลานชายผิดเวลาเลยเกิดเหตุร้ายขึ้นหลานสาวที่ไปโรงพยาบาลก็มาขาดใจตายเสียกลางทางไม่ทันถึงโรงพยาบาลคนพูดมีสีหน้าเศร้าสลดคุณหญิงนั้นน้ำตาไหลพรา ก, รากเลยทีเดียวแล้วตอนนี้ศพตั้งที่ไหนครับอยู่วัดสีหน้า เคยคนโตผมเขาเป็นคนจัดการนี่ก็สวดไปได้สองคืนแล้วคืนนี้เป็นคืนที่สามแต่คุณมอสกรุณาอย่าบอกพอจเจริญ น, นะครับเดี๋ยวจะสุดหนักลงไปอีกเขาสนิทสนมงกันมากครับผมจะไม่บอกคุณหลวงทำใจให้สบายเธอครับคิดซะว่าเป็นเรื่องธรรมดาโลกมนุษย์เราเกิดมาแล้ว ก็ต้องมีแกมีเจ็บมีตายมีพลัดพรากไม่มีใครหลีกพ้นถ้าเรายึดมากก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกหมอจีนพูดหมายใจให้ผู้อาวุโสสางโศ่การจะไม่ไปยึดมันเป็นไปไม่ได้เรกครับคุณหมอเพราะเรายังเป็นปุถุชนแต่ผมก็เข้าใจ ที่คุณหมอพูดเอาเธอะผมจะพยายามยึดให้น้อยจะได้ถูกน้อยผมเห็นจะต้องลาเพราะต้องเอามาพร้าวไปแลกข้าวเมื่อวานผมแวะมาบอกตอนเย็นไม่มีใครอยู่เลยวันนี้จึงแวะมาบอกก่อนเมื่อวานคุณหมอมาหรือลวงทารานึกฆ่าโทษเด็กหญิงเหมือนอาคันตุกะกลับไปแล้ว จะต้องเรียกตัวสาวน้อยมาลงโทษฐานบกพร่องในหน้าที่ครับแต่โกนเรียกอยู่นานไม่มีคนออกมาผมจึงกลับคนหมอจะเอามาพร้าไปแลกข่าวที่ไหนเหรอก็ไปเรื่อยๆแหละครับผ่านบ้านไหนก็ถามเขาถ้าเช่นนั้นวันนี้ผมขอเมาหมดแม้สายใจช่วยไปบอกแม่วาด ให้พาเด็กๆไปช่วยกันขนมาเร้าาขึ้นจากเรือคุณหมอแล้วเอาเข้าวสารใส่ลงไปแทนให้เต็มลำเรือท่านสั่งบุตรสาวคนโตถ้าเป็นข้าวสารใส่ครึ่งลำเรือก็พอครับในหมั่นรีบบอกด้วยเป็นคนไม่ชอบเอาเปรียบผู้ใดเขาไม่ใช่นักช่วยโอกาสไม่เป็นไรคุณหมอ ผมขอตอบแทนบุญคุณที่ช่วยหลานผมไว้ความจริงมันน้อยมากหากเทียบกับบุญคุณที่คุณหมอไม่ตอบผมและหลานบ้านคุณหมออยู่ในสวนลึกคงไม่ค่อยได้ออกมาซื้อกับข้าวเดี๋ยวผมจะให้เขาเอาพวกน้ำปลากระปิน้ำตาลปริกหอมกระเทียมฝากไปด้วย อย่าหาว่าอย่างโน้อนอย่างนี้เลยนะครับขอให้ผมได้ตอบแทนบ้างบุรุษวัยเก้าสิบพูดอย่างระมัดระวังเกรงว่าฝ่ายนั้นจะเข้าใจผิดว่าท่านดูถูกดูแคลนอันที่จริงมะพร้าวในสวนท่านก็มีเหลือเฟือแม้ผมไม่อยากรบกวนเลยครับแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นบุญคุณอะไรผมระลึกเสมอว่ามนุษย์มีหน้าที่ ต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใครเดือดร้อนมาเราก็ช่วยเข้าไปเท่าที่จะช่วยได้ผมยากจนนะครับท่านแต่ผมก็ไม่เคยห้วงกินที่บ้านผมมีข้าวต้มหม้อใหญ่ตั้งไว้ในกระท่อมแขกไปใครมาผมก็เรียกให้กินจะไมยหนุนหนุผมบวชอยู่กับหลวงพ่อสดที่วัดปากน้าท่านให้คติว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งห้วงยิ่งอดหมดก็ไม่มา เราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆผมก็จำออกมาปฏิบัติแล้วก็เป็นอย่างที่ท่านสอนจริงๆฟังบุรุษตรงหน้าพูดคุณหลวงเชื่อแน่นแฟ้นว่าบุคคลผู้นี้เป็นสัตบุรุษเขาจักเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตออกดีใจที่หลานชายได้เข้าไปพักพิงอยู่กับคนดีหากเขาเข้าไปอยู่ในบ้านโจรแม้ช่วงเวลาสี่ห้าวัน ก็อาจรับถ่ายทอดนิสัยโจรมาจากเจ้าของบ้านได้ล้านปูทั้งโชคดีเลิศเกินที่ได้พานพบสัตว์ปูรษ ถ, ถ้าเจ้าไม่ใช่คนดีไหนเลยจะได้พบคนเช่นนี้หลวงทารารำพึงในใจผมเห็นจะต้องลาละครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับของกินเต็มลำเรือผมเกรงใจจริงๆนะครับเนี่ย อย่าได้เกรงใจเลยคุณหมอวันหลังผ่านไปผ่านมาก็มาแวะนะคุณหลวงและคุณหญิงเดินมาส่งอาคัรตุกะถึงหัวบันไดนายนหมันยกมือไหว้ลาอีกครั้งก่อนพายเรือกลับบ้านด้วยความปลอดโปร่งใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีกวาระหนึ่ง เด็กหญิงสามคนวิ่งมารับที่ลำประดงเช่นเคยหัวหน้าครอบครัวสั่งให้ลูกๆมาช่วยขนของออกจากเรือทำไมวันนี้พวกลรือกลับแต่วันยังไม่ถึงเวลาเลิกเรียนไม่ใช่เหรอเขาถามเด็กหญิงสุมลครูเขาปล่อยครึ่งวันนาเตียเขาบอกเขาจะไปประชุมที่อำเภอเด็กหญิงสุมลตอบแล้วอติเป็นยังไงบ้าง เขาถามถึงหนุ่มน้อยอีลุกเดินได้แล้วตอนนี้กำลังช่วยเจ้ใหญ่ตำข้าวเด็กหญิงสุนีตอบภาพหนุ่มน้อยท่าทางธรรมะแมงกำลังตำข้าวอยู่อย่างขมักขมน่นทำให้หมอจีนเดินยิ้มเข้าไปหาอาติลื้อไปช่วยเขาทำไมอย่าลืมว่าลื้อเป็นคนป่วยนะผมหายแล้วครับคุณลุงเมื่อคืนผมนอนสบายทั้งคืน รู้สึกปวดเนื้อปวดตัวแต่เฉพาะตอนหัวคำ่ำแต่หลังจากนั้นก็หลับสบายจนรุ่งเช้าตื่นมาก็ไม่เจ็บไม่ปวดอีกเลยช่าง น, น่าอัศจรรย์เสียจริงหนุ่มน้อยไม่รู้ว่านั่นเป็นผลมาจากพลังเมตตาของคนบ้านสามกระไดนั่นสิลุงเห็นลือหลับสบายเลยไม่ได้ปลุกนี่ลุงไปบ้านสามกระไดามาเรียบร้อยแล้ว หนุ่มน้อยหยุดตําข้าวพลางถามอย่างใคร้รู้พบคุณปู่ผมหรือเปล่าครับพบสิท่านเป็นห่วงหลือมากคุณหญิงท่านก็เป็นห่วงแต่ลุงบอกว่าลืมไม่เป็นอะไรมากอีกสองสามวันก็กลับบ้านได้ผมขอกลับพรุ่งนี้เลยได้ไหมครับเข้าขออนุญาตยังก่อนเอาไว้ลึกแข็งแรงกว่านี้ค่อยกลับเจ้าของบ้านไม่อนุญาตแท้จริงนั้น เขาไม่ต้องการให้อาติไปรับรู้เรื่องการตายของหลานสาวคุณหลวงเกรงว่าหนุ่มน้อยจะเสียใจจนไข่กลับอีกรอให้เขาแข็งแรงกว่านี้จึงค่อยบอกเล่าให้ทราบผมหายแล้วครับแต่ไม่เป็นไรผมอยู่ต่อก็ได้ที่นี่น่ายอยู่ผมมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านตัวเองหนุ่มน้อยพูดจากใจจริงให้อี ก, กลับเธอเตีย่ยเปลืองข้าว อี ก, กินจุยังกะอะไรเจ๊ใหญ่แซงยาวนึกเอ็นดูพ่อหนุ่มราวกับเขาเป็นน้องชายร่วมสายโลหิตผมจะทำงานใช้เจ๊ใหญ่รับรองว่าคุ้มค่าข้าวเขายาวตอบไม่เป็นไรอาตีหรือกินจุก็ไม่เป็นไรลุงมีข้าวเยอะแยะวันนี้คุณปู่ลือให้ลุงมาเต็มลำเรือเลยพวกเด็กๆ ก, กำลังช่วยกันขนมานั่น หมอจีนผู้แสนดีบอกหลานชายหลวงธาราด้วยใบหน้ายิ้มยิ้ม